มีการฝึกสติเนาะมันมันไม่เฉืองสงบนะมันไม่สงบมันคิดบ้างมันคิดในเรื่องธรรมชาติเราไม่ได้ว่ามันจะปฏิบัติทับแล้วมันจะต้องไม่คิดจิตมันจะต้องสงบแต่มันเหมือนคลไทยให้เราดูออกมาุูออกมาเป็นผู้ดูดูมันจะคิด ก็แค่รู้ว่ามันคิดมันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดคือไม่ได้ไปอยู่ในวงจรของมันเหมือนออกมาดูอยู่บนถนนนะรถมันจะวิ่งไปวิ่งมาจะเป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบเราอยู่บนถนนเราดูเฉยๆเหมือนเราดูเด็กเ้าเต้นอยู่บนเตียงไนะเ้าจะเล้นไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปวุ่นวายนี่ อยู่ตรงที่ที่เขาอบุ่นวายการวิธีคือกันถอยออกมาดูแล้วก็ถอยตัวเองออกมาดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนะมันจะเป็นอะไรก็มีค่าเท่ากันอยู่นะมีค่าก็คือว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกดูนะสิ่งที่ถูกรู้ สติคือตัวรู้เมื่อเราดูโทรทัศน์เราก็อยู่ตรงนึงเนาะโทรทัศน์ก็อยู่ตรงนึงเรื่องราวที่แสดงในโทรทัศน์เปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนเรื่องไปต้องดูเฉยๆแต่ถ้าเราไม่อยู่เฉยๆเราก็เหมือนเข้าไปอินอินกับเรื่องราวในโทรทัศน์เนาะแล้วก็ดีใจเสียใจชอบใจ เบื่อเราลำคานไปทั้งนี้นจริงนะเป็นเรื่องราวในโทรทัศน์นะแต่เพรเราขาดสติแล้วก็เลยเผลอไปยินดียินร้ายนะชอบไม่ชอบนะเราดูร้องสังเกตเลยนะสติที่เกิดขึ้นในการย ใ, ใจบางทีมั น, ม, นมันยังรู้สึกว่าอย่างดูโทรทัศน์ยังรู้สึกว่าชัดเนานะเราก็ไม่คิดว่าโทรทัศน์เปงเราใช่ไหมไม่คิดว่าเรื่องราวในโทรทัศน์เป็นเรา ขนาดมันชัดขนาดนั้นนะแต่บางทีเราก็ยังเผลอเข้าไปมีอารมณ์ร่วมทํามันนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะี่มันเป็นความสําคัญผิดที่เราหลงมานานว่ามันคือเรานะมันคือร่างกายของเรามันคือจิตใจของเรานะมันยิ่งสําคัญผิดใหญ่ไปเลยนะแต่เราก็ลองนะลองดูมันนะเป็นเพียงแค่การสังเกต ด, ดูมัน ดูอะไรที่เกิดกขึ้นก็ก็ชั่งของมันอย่า <c> ง <oughs> น, นะชันงีวามจริงของมันนะไม่ใช่เรื่องของเราใจเ จ, จ็บสุกขก็เรื่องของใจใจเจ็บสุขก็เรื่องของใจใจะสงหบหรือวุ่นวายก็เรื่องของมันถ้าเรามีสติดูเฉยๆนะมันก็มันก็ ม, นกมีทุกข์กับมันนะนะแต่ก็บางคนอาจจะ ตัวรู้ตัวดูมันจะไม่ชัดแบบนั้นสติก็จะเป็นคล้ายๆตัวกลับมาเนาะม่อเราเผลอนะเผลอไปยินกลับอะไรก็แล้วแต่พอเรารู้ตัวแล้วก็กลับมาะกลับมาออกจากความคิดกลับมาออกจากอารมณ์นะก็คือพอเรารู้ตัวว่าเราเสผลอก็ไปยินนะแล้วก็ออกมาต่อมาดูแบบนี้เผลอเข้าไปจ้องอะ ที่มือที่เท้านะตั้งใจตื่นไปเนาะเรือจ้องทั้งตัวเน่ยก็พอพอมีสติรู้ตัววเออกลับมาดูไกลนะเคลืนไหวนะหรือเราเคยเข้าไปอยู่ในอารมณ์ในความคิดนะบางทีไม่ได้อยู่ก็เ ข, ข้าไปอยู่ในเหตุผลเนาะเอาถูกเอาผิดนะฮะก็รู้ตัวก็ก็กลับมาดูดูว่ามันคิดดูว่ามันถูกดูวมันุูก สติคล้ท้ายๆไปตัวเราออกมานกลับมากลับมาจากความคิดกลับมาจากความหลงนะอันนี้คือเราฝึกฝึกให้กลับมาบ่อยๆเราจะไปคิดว่าจิตมันจะต้องตั้งมั่นตลอดมันจะต้องดูได้ตลอดนะไม่ทุกเลยนะบางทีก็ยังไม่ใช่สภาวะของเรานะยังไม่ใช่สภาวะที่อที่เราเกนงขนานนะั้น แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะโยมมันก็แต่ก่อนเคยหลงเป็นนานต่อไปก็จะหลงสั้นลงะลงสั้นลงต่อไปแต่ก่อนเคยหลงมากต่อไปก็หลงน้อยลงแบบนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะไม่หลงเลยนะแต่จะมีพัฒนาการนะจากที่เคยนานๆก็สั้นอลงแต่ที่เคยมากๆก็น้อยลงหรือจากที่เคยแรงก็จะเบาลงเลยนะ มันก็จะค่อยเห็นมันก็จะกลับมาได้ไหวขึ้นเพราะที่จริงนะเรารู้ว่าเราหลงรู้ว่าหลงเนะี่ยก็คือมีสติหนึ่งกันนะสติไม่ใช่จริงแค่รู้ว่ากำลังทําอะไรอยู่เช่นยืนเดิน น, น, นั่งนอนเท่านั้นแต่รู้ว่าจิตเราเผลอไปหลงไปกับความคิดกระดมพอเราตื่นขึ้นมาเนะี่ยก็เรียกว่ามีสตินะคล้ายๆเหมือนกับ เราฝันเนาะตอนที่เรานอนดับแล้วฝันเนะี่ยมันไม่รู้ตัวนะเราเป็นจิงเป็นจังกับเรื่องราวที่กําลังฝันอยู่แต่พอตื่นขึ้นมาเออมันออกจากความฝันเนีมันรู้ตัวว่ากำลังนอนอยู่นะไม่ใช่วิเที่ยวในป่าไปวิเที่ยวที่ไหนเนออี่ยแต่ความฝันมันทำให้เราเหมือนจิงจังกับมันเออเราก็กลับมาออรู้ของมันเนะี่ยก็ยายากลับมารู้สึกนะ เรื่อแรกาก็จะกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยแต่ให้ให้รู้สึกตัวแบบเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นการรู้ร่างกายแบบรวมๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจ้องไม่ใช่จ้องกายทั้งกายนะแต่ให้ทําสบายๆแต่อย่าไปจ้องแค่ส่วนในส่วนหนึ่งอย่าไปเพ่งส่วนในส่วนหนึ่งให้รู้แบบรว ม, ร, วมรู้แบบสบายๆถ้าเรารู้แบบรวมๆสบายๆ มันก็จะเห็นนะบางทีเราเดินจังกรมเนะี่ยพอเดินเสร็จแทนที่จะปวดขานะแต่มงปวดไหล่พราเราก็เลยลืมดูว่าเราก็จับแขนแน่นเกินไปไหล่มันหอนะ่อหรือเรานั่งท่งจังหวะแทนที่เอนั่งนานๆก็ปวดขาก็ธรรมดาแหละก็เปลี่ยนได้แต่เราก็ลืมตัวว่าเราก้มเกินไปจนปวดพอนะแต่ถ้าเรารู้ดวงๆนะเราจะเห็นพร้อม อมันไม่ค่อยผ่อนคลายเนาะบางทีพอตั้งใจเกินไปแเรวก็จะหายใจสั้นๆหายใจทีๆนะมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ปกติแล้วก็อทําไงดีไหมหายใจตั้งอ๋อแต่งามันตั้งใจเกินไปแล้วก็ให้ผ่อนคลายขึ้นเลยงทีเราก็เผลอหน้าบูดหน้าเบื้อหายใจไม่ใจเผอครับ ยิ่งเน้อยบ้างก็ได้นะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เผลอนะเผลอบ้างแต่พอรู้ตัวก็ก็ปรับเปลี่ยนก็แก้ไขนะนั่นะก็ทําำนนะเดี๋ยวนาะความผิดนั่นแหละเป็นครู้่อนเรานะไม่ใช่ว่ามันจะต้องถูกอย่างเดียวผิดนั่นแหละเป็นครูนะ้เราทำปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องผิดก่อนนะมาถึงจะถูกนะ ไม่ใช่มนทําวันนี้มันจะมันไม่พลาดเลยไม่ใช่หรอกมันเราเดินเราก็ต้องล้มก่อนนะมันถึงจะลุกขึ้นเราทําอะไรก็แล้วแต่ต้องผิดพลาดก่อนแล้วเราแก้ไขเราปรับปรุงมันค่อยดีขึ้นภาวนาต้องเหมือนกันอย่าไปคิดตว่ามันจะดีตลอดดีอย่างเดียวนะไอ้ที่มันผิดนั่นแหละมันก็ถูกถูกตรงมันแล้วนั่น แต่เราก็รู้มันเรียนรู้มันแล้วก็แก้ไขปรับปุงพัฒนาไปนั่นแหะทําสบายๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆน่ะเรียนรู้จากความหลงนั่นแหละเป็นครูจริงๆนะเรียนรู้ดูถ้าทำแลมันทุกข์นะแต่มันบอกแล้วว่าเออตั้งใจเดินไปเนาะมันทุกข์ใจนะแต่ว่าวางใจได้ผิดได้แต่ถ้าสุดแบบล่องลอยก็ก็ผิดเหมือนกันนะก็คือ ใจเป็นกลางแบบไหนนะค่อยสังเกตรู้สึกตัวสบายๆแบบไหนคอยสังเกตแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันจะประคองตลอดเนาะมันไม่ใช่สภาพการประครองแต่มันเป็นเพียงถ้าเราเห็นจริงคิดมันเป็นเพียงแค่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งไอ้ที่มันดีเมื่อกี้แล้วมันก็ไม่ใช่วันมันจะจะต้องดีต่อแล้วมันก็เป็นขณะที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้ ไอ้ที่มันผ่าดไปแล้วเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วมันมีแต่มาเริ่มใหม่เขามารู้ตัวใหม่นะอืมไอ้ที่เนี่ยมันก็เลยทําเป็นยังหวัดพลิกรู้หยุดยกใหมร่รู้อืหยุดนิดนึงวางลงรู้หยุดนิดนึงทำเป็นจังหวัดมันก็เหมือนรู้แล้วก็วางลืมก็วางแล้วนกะ็รู้ใหม่เนี่ยพิิกใหม่ต้องรู้ใหม่มันมีแต่ขนาดใหม่นะ ใส่ใจในปัจจุ บ, บันที่ทําใหม่เี่ยทําใหม่ทีละครั้งก็รู้ใหม่ทีละครั้งลืมรู้ก็จำออกมาม่ก็จะมีตัวรู้ใหม่ขึ้นมาแต่ทำนะั้นมันจะทําให้จิตเราอยู่กับปัจจุ บ, บันได้จริงๆอดีตก็วางได้อนาคตก็วางได้แต่ปัจจุ บ, บันก็ไม่ผิด น, นะก็แค่รู้เฉยๆแต่ทําทสบายๆตรงนี้เนาะอันนี้คือรับรู้ว่าเรา ทำในรูปแบบนะแล้เวเราก็ไปฝึกเอกรูปแบบนะในการทานข้าวหรือในการสังเกตหรือเลยนะบางทีใจอยากจะช่วยจะคุยจําเป็นไหมนะใจอยากจะไปทักสุราอยงอื่นจำเป็นมากไหนะมนะสังเกตหรือนะบางทีกิเลสเขาก็มีเหตุผลนะอนะ่ยิ่งเรียนสูงเนี่ยก็เหตุผลก็ยิ่งเลียกพายนะอืนะ อย่าไปเชื่อมันมากนะบางทีบางทีความคิดเนี่ยนะมันเป็นเหตุเป็นผลนะแต่จริงคนเราก็ทะาัายเพะความคิดนะบางทีความคิดก็เหตุผลอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะบางทีเราก็ต้องรออย่าไปเชื่อความคิดมากนะถ้าคิดก็คือตั้งใจคิดนะบางทีเราก็รู้นะอย่าไปเชื่อความคิดให้เชื่อความรู้สึกตัว ถ้าเราทำอะไรแล้วรู้สึกตัวนะมันจะทำให้เรากลับมาจากความหลงได้เอาสังเกตทานข้าวไปถ้ามันเกิดไปคิดตั้งประจังมันก็กลับมาเกี่ยวกับการทานข้าวใหม่นะนั่งพักตอนไหนก็อย่าที่กันต้งบอกหลวงพอที่ท่านเน้นว่าอย่าอยู่นิ่งๆ น, นะพยายามคิดมือก็ได้คิดมือ หรือถ้าอยู่นิ่งๆภายนอกแต่ก็อย่าใจอย่าไปแช่นิ่งนะเพราะว่ามันถ้านิ่งมากก็ไม่เกิดปัญญาถึงทีถ้าภายนอกดูนิ่งแต่ใจลอยไปนะก็ไม่ดีบางทีก็เลยสร้างจังหวะทิ้งนะหรือมางทีก็ดูลงหายใจเข้าลงหายใจออกอนี้ก็ไดนะ้ให้รู้สึกตัวกับอะไรก็ได้กางอย่าง ท่านจิมันมีเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่เครื่องเครื่องอยู่คือเครื่องประดิษฐรู้นะรู้สักอย่างหนึง่งนะมันจะได้ไม่รอยนะเราทำเราทานข้าวประลึกประทานข้าวเสร็จหรือใครจะมาเดินจมกรมรอนั่งตามจนังหวะรอก็ได้ห้อนงะตัวนี้จติตสบายนะเราพอสมควร น, นะ เราครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับประทา น, นอาหารกันก่อน